พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าประทุษร้ายศีลตัวเองวันนี้เป็นวันที่28 วันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือนหนึ่งแปลว่าดับ14เดือนหนึ่งมือเช้าก็เป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมมาทำบุญตามปกติแต่ตอนบ่ายนาีพวกเราได้ลงอุโบสถ พระสงฆ์ทั้งหมดสี่สิบเอ็ดรูปแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีการบวชพระอีกนะสององคอ์ช่วยกันดูแล้วก็งานก็ได้ถามไทยดูเมื่อกี้นีนกองเมื่อเช้านะี่ก็ได้ถามงานของเราก่อนเนี่ยพระที่เป็นออกไปจากวัดของเราที่เป็นสมพานออกไปเป็น จเจ้าอาวาสก็ทำไมทั้งหมดมาองไหนที่มาได้ก็พอมาได้พอจะว่างที่มาช่วยได้ก็ให้มาช่วยกันเพราะชาวนี้เขาวนี่ยมันวัดใหญ่หรือมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้มวลชนเรื่องพวกที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกัน เ, เพื่อจะให้งานสําเร็จทุล่วงไปโดยดีแต่ถึงยังไงเขาคิดว่าก็คงไม่นาน ให้ช่วยๆกันคิดนะให้ทำกันคนรัฐาที่ไปเลยก็ได้จะเป็นแบง่งแบ่งงานกันคนหนึ่งทำหน้าที่งานหนึ่งงานหนึ่งพ อ, พอรู้กันอยู่างานที่ตรงไหนมันยากช่วยๆกันคิดในจุดนั้นหงานตรงไหนที่มันเบาบางก็แบ่งกันหรือจะหาคู่คนเข้ามาช่วยๆก็ได้นะเอาชาวบ้านเข้ามาหรือว่าข่าแรงเข้ามาผมไม่ว่า เราจำคัญให้มันเร็วนะให้มันจบจบไปแต่ถึงยังไงให้มันแข็งแรงให้มันดีไม่ทำจะไม่ใส่ศัดท์ว่าทำถ้าเป็นไปได้กนะ็เน้นทางกำแพงก่อนนะนะเรื่องข้างในยัค่อยว่ากันอีกทีหลังถ้าเป็นไปได้ให้มันจบจบไปทั้งทั้งนอกนะแต่ก็จบไปชุดหนึ่งแล้วละ่ะประมาณหกสิบเมตร ถ้าจะเปรียบเทียบงานของเรามันเสร็จไปแล้วเท่าไหร่แต่จะพูดไปก็ถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนนะเจว่างานนี่สี่ส่วนเราจดจบไปเพียงหนึ่งส่วนยังเหลือสามงานของเราในวัดแต่ก็มู่พวกเพื่อนก็บอกว่าจะขอพักผ่อนในช่วงปีใหม่เพราะว่า ในถึงยังไงจะถึงจะเป็นวัดเลด็กวัดน้อยในที่อยู่อาศัยของตนเองแต่ก็มีศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ควรควรจะไปกลับไปวัดก่อนเมื่อเสร็จพันปีใหม่ศรัทธาญาติโยมผ่านไปแล้วยังค่อยกลับเข้ามาเริ่มงานทาการทำงานใหม่อีกอันนี้ก็คืองานแต่ถึงยังไงก็าตามนะพระ ทุกองอันนี้ก็คือมีงานคือการยืดหยุนยืดหยุนในการทำงานแต่ที่ยังไงเรื่องจิตภาวนาสุดจุดนั้นน่ยผมเองไม่เคยบอกกล่าวให้ลดละถึงจะทำการทำงานก็เมื่อมีโอกาสกันน่ต้องภาวนาเป็นหลัก แต่เมื่อมันเหนื่อยเออเอาพักผ่อนแต่จะไปถือว่างานเป็นสารดังสาระไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่ามันจําเป็นจึงให้ทําทําให้มันจําเป็นเราก็ไม่ไม่ต้องทำเพราะเหตุไรงานไม่จําเป็นก็ไม่เห็นมันเป็นเรื่องเป็นราวของเราแต่นี่เป็นงานของวัดที่มีปัญหาก็ต้องช่วยๆกัน ที่ผมเปรียบเทียบนั่นน่ะเหมือนกระลังต่อรังแตนมันถูกลมพายุมากกระแทกกระทบมันรังแตดพึ่งรังทั้งหลายต่อแม่กําลังต่อต่องานทั้งหลายก็ต้องมาหาหามาทำต่อมาทำรังของตอนเอง เยียวยาหลังของตงัวเองให้อยู่ในสภาพกับลักษณะอย่างนั้นน่ะนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราพระอยู่ในวัดแต่าหากว่านา้ำพายุอุตรกระภัยเข้ามาทำให้เสียหายเราจะทำอะไรไม่เป็นเฉลยแบบไม่ใส่ใจเฉลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะแต่ถ้าหากว่าทำจนเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพาว่าเกินไปไม่มีหรอก พอเราก็เห็นเห็นรู้รู้กันอยู่ก็ตามตามตามความเหมาะสมนั่นแหละใ น, นหลักของพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลถ้าเราดูในลัทธรรมคำสอนของพุทธะน ะ, จะเจดผู้องค์ประทับอยู่ที่ใดอยู่ในวัดไหนวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่ท่านกออนาถฐมดีกะสร้าง แต่เขคงจะมีการต่อเติมเหมือนกันละ่ะผมว่านะอันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายแต่ด้านวัตถุท่านบรรยายแต่เรื่องนามธรรมนามธรรมคือความประพฤติคือความโพธุกคือท่านพูดถึงจุดใหญ่เลยแต่ท่านไม่ได้พูดเรื่องพึ่งที่พักพาอาศัยการพักพาอาศัยอยู่อาศัยปัจจัยสี่พูดเกี่ยวว่งบินธบสตเศรษฐีเข้ามาเกี่ยวข้อง อันนั้นก็พูดบังในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วก็มีแต่เน้นจริงๆกับเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องมรรคผลนผลิพพานเรื่องผลทุกในวัตสงสารแนวอริยสัจสี่พิจารณาไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสีทุกสมมุทัยนิโรธมรรค ศินสมาธิปัญญาการวะญาติโยมทานศีลภาวนามีแต่พูดในเรื่องลักษณะอย่างนั้นมากกว่ายกตัวอย่างอย่างที่พระพุทธองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอยู่ศาลาในคราวนั้นเสด็จประทับอยู่ที่ศาลานางวิสาขา ที่นางวิสาขาวิสาขาสร้างถวายนะเดยวมีขานละมันมีขานละสาลาในปุบพาลามวัดป่าปุบพาลามไม่ใช่เชตวารามนะปุบพาลามคือนางนางวิสาขาตอนนี้พระองค์เจเดตประทับอยู่พร้อมกับภิกษุกษสงฆ์ห0 0รอลูปนะในวันนั้นและก็เป็นวันอุโบสถ เป็นวันพระอย่างพวกเรานั่งอย่างนี้นะเป็นวันพระแต่พระสงค์ในวันนั้นในพระไตรปิฎกท่านตรัสเอาไว้นะบอกเอาไว้มีภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปกว่าภิกษุกว่าห้าร้อยรูที่มาประชุมพร้อมกันในเมื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วที่ศาลานางอาคารนางวิสาขานที่ศาลาพระเห็นพระองค์พระพุทธองค์เห็นภิกษุนั่งเงียบ อยู่ในความสงบก่อนที่จะสวดพระปฏิโมกข์โปร่งกวัฎุก่อนสงทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันเราประวรนาเราประวรณาต่อสงฆ์พวกท่านทั้งหลายเห็นกายยกรรมเห็นการกระทําของเราเห็นวาจาของเราผิดปกติบ้างไหมที่จะว่ากล่าวตักเตือนบอกกล่าวเรามีไหม ที่จะบอกกล่าวเรานะมีไหมถ้ามีก็นั่นหลเราปรวรนานในสงฆ์พระองค์ตรัสเพียงแค่แคนั้นนะภาษาลิบุตรโอ้โหขนาดพระองค์อย่างปรวรนานในสงฆ์ภาษาลิบุตรหมผ้าเสเวียงป่านั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นพระพุทธเจ้าคาพระพุทธองค์ เป็นผู้นำทางเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้นำทางเป็นผู้แนะแนวแนะทางให้กันกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายได้รู้แนวทางได้รู้แนวประพฤติปฏิบัติก็เพราะพระพุทธองค์พระพุทธองค์เพราะนั้นคำอย่างนี้พระองค์มีแต่ว่ากาวตักเตือนแนะนาพระสงฆ์เท่านั้น ไม่มีพระสงฆองค์ใดที่จะมากล่าวที่กล่าวตื่นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกอืมเราคิดว่าถ้ามันมีนเราประวัติอาขอพระองค์จะได้กล่าวได้ตรัสคำนี้อีกเลยพระเจ้าข่าขอให้พระองค์ว่ากล่าวตักเตือนพวกข้าพระองค์แล้วข อ, ขอพระองค์ได้บอกกล่าวได้ว่านี่พระสงฆ์ทั้งห้าร้อรูปเนี่ย พระ อ, องค์จะได้ว่ากก่าตักเตือนผู้ใดบ้างหนอพระเจ้าข่าเนะ่พระ อ, องค์บอกว่าดูก่อนสาริบุตรเธอเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกับเราตถาคตเป็นผู้เป็นผู้ประกาศพระศาสนาเธอเป็นผู้หมุนล้อเหมือนกับเป็นโลกของพระเจ้าจากักรพรรดิเรา เป็นผู้นำฝูงชนในที่พระเจ้าจากักรพรรดิให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายที่มานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันตันบากันนเตวิชโชสรปินโยท่านพูดไปเลยนะเตวิชโชห้าหกสิบรูป สละปิโยหกสิลูสิบรูกปฏิสัมพิตโตหกสิบลูกนอกนั้นเป็นสุขะวิปัสสโกล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยบดจดจากกิเลสเพราะฉะนั้นเรากายยกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกายยกรรมวจีกรรมถ้าไปพูดถึงมนโนกรรมนะแต่ว่ากายยกรรมวจีกรรมพวกเธอท่านทั้งหลายดูแล้วบริสุทธิ์พุผ่องไม่มีอะไรที่เราจะว่าเก่าวตักเตือน อันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงก็ตามทีมาเปรียบเทียบกับพวกเราทันทั้งหลายอย่างวันนี้เราอุโบสถวันนี้หละให้พวกเราถือเสมือนวันเนี่ยเรามาอยู่ในกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มในครูบาอาจารย์ถึงจะเท่าถึงเราจะไม่บริสุทธิ์ในธรรมไม่หมดจดจากกิเลสแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจให้บริรสุทธิ์ในศีลนะ สินคือส้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะแต่ส่วนธรรมนะั้นใครๆก็ต้องการใครๆก็่อยากจะพ้นทุกอยากจะเป็นพระอรหันทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามเรารู้แก่ใจว่าเราจะส้ำรวมกายการกระทำของเราในศินสองร้ี่สิบเราจะส้ำรวมวาจาในหมวดศินสองร้อี่สิบเจมันมีทั้ง กายกับวาจาเนี่ศีลคือรักษารักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลหมวดศีลก็คือศีลสองิบเจ็ดก็ดีศีล8ก็ดีศีลห้าก็ดีศีลของภิกษุณีก็ดีการล้วนแล้วแต่สํารวมกายกับวาจานีอันนี้คือหมวดศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกองที่มาอยู่ด้วยกันให้ตรวจตราดู อย่าให้เป็นผู้ด้อยกว่าหมู่เพื่อนอย่าให้เป็นผู้ต่ำกว่าหมู่เพื่อนให้สํารวมกายว่าจะให้เป็นผู้มีศีลอยู่ในศีราจรวัตถึงจะภาวนาไม่เป็นภาวนาจิตใจมันไม่สงบแต่ศีลให้บริสุทธิ์ศีลนี่เรามองเห็นอยู่แล้วศีลคือความประพฤต สินในพระปฏิโมกอย่างพวกเราได้สวดลงจ บ, จบลงสักครู่นี้เนี่ยเราต้องศึกษานะต้องอ่านต้องศึกษาให้เข้าใจนะอันนี้พระว่าท่านเน้นหนักเรื่องสินและพินยัยจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้พูดได้ตรัสกับพระจุนทะดูก่อนจุนทะนะพวกเธอทั้งหลายต้องศึกษาใน อั拉ประยันชนะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้ศึกษาทต่ทมวินัยที่เราตรัสไปพูดไปนั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสให้พวกเธอทั้งหลายให้จัดเป็นหมวดหมู่ให้จัดเป็นหมวดหมู่แล้วแล้วนำมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนต่อไปศาสนาของเราตถาคตจะยัยงยืนนาน ถ้าว่าพวกเราจัดหมวดหมู่ของหลักธรรมวินัยคือให้รู้จักว่าอันนี้คื อ, อ น, นิทานคือความเป็นมาอันนี้คือศีลสํัสมผลกายวายจาอ ย, ย่างไงอันนี้คือปรมัตรธรรมการภาคในภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาควรควรปฏิบัติอย่างไรตามแนวแถวของพุทธลึงสมถะและวิปัสสนา เดินอย่างไรแต่พูดเรื่องศีลสมรวมกายวาจาอย่างไรเรื่องชาดกความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นศาสนาขึ้นมาได้พระพุทธองค์เป็นอะไรศึกษาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นปัสสูตขึ้นมาเป็นสิทธะจากนั้นก็เลยครองราชจากนั้นก็ได้ส่งออกหนีส่งผนวด ไปอยู่ในป่าทดลองบำเพ็ญพระ อ, องค์ลองถูกลองผิดใครๆว่าวไปลองเพื่อหาจิตวิญญาณหาจุดยืนหาจุดที่มาตรฐานหาจุดพ้น จ, จุดพ้นทุกข์น่ค้นอยู่เวลาถึงหปีอันนี้ก็คือพวกรราเป็นนิทานนะเ่็นเรียกว่าเป็นพ ร, ะรนะเป็นพ จากนั้นพระองค์ก็ค้นไปจนถึงพบปรักธรรมพบปรักธรรมก็คือปฏิบัติจนได้สมาธิขึ้นมาจะว่าได้ฌานขึ้นมาปุเพนิวะจุะะตูปปาเตยานอาสาวะไกยานจนถึงพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วเจนนะพว้นเพื่สมาธิเล้โค้งสุดท้ายท่านพูดถึงปัญญาปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปวาจกรรมันตอาชีโววยโมจติสมาธิ อันนี้คือสรุปแล้วก็คือรวบยอดทั้งศีลทั้งสมัยทั้งสมาธิปัญญาจากนั้นพระ อ, องค์ได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เป็นพระพุทธะพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือพัฒสูตรคือความเป็นมาของพุทธะแต่นี่ท่านเน้นเลยว่าที่ได้ตัดรูนะ้น่ะท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนอะไรบ้างในพัฒสูตรในจุดนั้น ที่ท่านในตัดสรุนั้นฮท่านท่านก็นได้พูดให้ฟัง่สมาธิสมถ า, าเป็นยังไงวิปัสสนาคือยังไงที่ตัดกิเลสจากใจ อ, ออกไปได้จากนั้นเมื่อตัดกิเลสออกไปได้แสดนกับเรื่องพระวินัยก่อนที่จะเป็นอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะไทมมาท์่าว่าศินและวินัยไม่ดีน ะ, เ, ะเหมือนกับชาวบ้านนะ จะเป็นกฎจะเป็นระบบกฎระเบียบอยู่ด้วยกันได้อย่างไรต่างคนก็ต่างหาใส่ปากใส่ท้องเหมือนกับเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วจะเป็นพระสงฆ์ได้อย่างไรที่มีกฎระเบียบที่ได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีกฎระเบียบคือศิลสินและวินยัยจึงมีศินสองอยี่สิบเ็ดเนี่ยพระองค์บัญญัติขึ้นมาในบัญญัติขึ้นมาบัญญัติให้ใครเนี่ยก็บัญญัติให้สากยบุตร คือบุตรของพุท ธ, ธคืออย่างพวกเราทั้งทั้งหลายเนี่ยพอเข้ามาบวชแล้วกัยอมอน้อมตนอยอมตน เ, เป็นลูกศิษย์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เป็นผู้มีศีลศลสองร้อยยี่สิบถ้าเป็นสัมมเนนก็ศีลสิบศีลสองิบเจ็ดแต่ศีลสองิบเจ็ดก็จริง แต่เราต้องศึกษาทถเนี่ยไม่ใช่ว่าบวดเข้ามาเลยข้าพรเจ้ามีศินสองี่สิบเจ็แล้วมีอะไรบ้างไม่รู้ น, ะนี่แหละมันมีแต่เงามีแต่ชื่อนะมันได้ไม่ใช่ไม่ได้นะเราต้องศึกษาศินสยยี่สิบเ็ั่นข้อมีอะไรบ้างอย่างน้อยเราต้องอ่านอ่านดูนวโกวาทอ่านดูวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาม จากนั้นก็อ่านเรื่องพระไตรปิฎกศึกษา น, นี่แหละอันนี้ผู้มาเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉยนะถ้ารู้เฉยแล้วยังไม่ปฏิบัติอันนั้นก็ยังไม่เป็นผู้มีศีล น, นะมีศีลอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสือท่นเองรู้อยู่ในหนังสือมันก็ไม่ซึ้งมันไม่มีอะไรเหมือนกันมันต้องอยู่ในกายวาจาของเราศีล น, น, นี่นะข้าพเจ้าจะสํารวมกาย การกระทําของข้าพเจ้าจะไม่ให้ผิดศีลการพูดของข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ให้มันผิดศีลสีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไว้ในเมื่อกายวาจาเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วเมื่อเราตั้งสมาธิใจของเราก็ไม่ได้คิดประวัติไปในทางชั่วเพราะเราไม่ได้ทําผิดทางกายไม่ได้ทําผิดทางวาจานมันก็ไม่ไม่มีบนทินในจุดนั้น พอหันเข้ามาทางสมาธิเข้ามาสู่ทางด้านจิตใจจิตใจของเราก็สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ง่ายในเมื่อเป็นสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วเราก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะดูเรื่องต่างๆร่างกายสังขารของเรามีอะไรบ้างร่างกายของเรามีอะไรบ้างเพราะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้ว ท่นว่ามนุษยชาติทั้งหลายแหละเนี่ยหลงร่างกายเนี่ยเจงไหมหลงร่างกายหลงร่างกายตนเองว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายในความรู้สึกลึกๆอแต่ถึงยังไงว่าจะ ต, ตายนะัน่นขณที่ว่าจะตายนะั่ก็หันกระโพดอยู่ในริมฝีปากท่านเองแต่ส่วนลึกของเราแล้วมันอย่างๆๆๆนะคล้ายๆมันยังฝังลึกอยู่ในจิตใจมันหลงอยู่ในลึกคำว่าหลงคํานี้นะ เอแต่เขาพูดเออตายธรรมดาเนี่อแต่พอออกเข้าจริงๆพอถึงเข่ามันจะตายจริงๆป่วยไข้จริงๆเอเป็นมะเร็งเอเป็นมะเร็งเข้ามาจริงๆตายแล้วคร่าเนี่ยนั่นแหละขาสั่นแขนสั่นขาสั่นหัวใจสั่นเข้าไปเลยถึงจะไม่สั่นข้างนอกก็สั่นเล็กๆอยู่ในลึกๆเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือมันหลงร่างกาย เมื่อเรามาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะถึงมันจะหลงขนาดไหนก็ตามแต่ในใจลึกๆแล้วบอกกล่าวมันอยู่นั้นย้ำ ม, มันอยนั้นพิจารณาอยู่นั้นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนอีกสวรรค์เนี่ยตายแน่นะแตกแตกตายนะลงสู่ทินน้ำลมไฟนะเพราะพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาร่างกายเกษาผมโลมอา ข, ขนนักาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะใจนะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะใจนะนี่แหละเมื่อเราเพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนเมื่อจิตใจข อ, ของเราผ่านสมาธินะ่ะจิตใจเคยเคยผ่านแล้วมันแน่งในสมาธิมาแล้วนะ่ะมาพิจารณาเห็นตัวนี้มันจะซึง้งซึ้งในจิตใจผิดปกตินะผิดปกติแบบจํามาด้วยสัญญาสัญญาสัญญาอารมณ์สัญญาสังขารสังขารคือความปรุงแต่งสัญญาคือความจําได้หมายรูมารมาพิจารณานะ มันไม่ซึ้งนะแต่เมื่อพิจารณาด้วยสมาธิแหละอ่าพอมันเป็นจิตที่ผ่านสมาธิเกิดปัญญาแล้วมาพิจารณามันซึ้งกว่านะซึ้งอย่างมากๆเลยเห็นตามความเป็นจริงเลยท่านเองเมื่อเห็นตามความเป็ น, ปนจริงร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราลักของอย่างอื่นล่ะอ่าเป็นแต่เพียงปัจจัยอาศัยเราก็ทําทำํำไปเรื่องวัดวาศาสนาแต่ถึงยังไงทําังนั้นก็มันก็เราต้องตาย แต่ถึงยังไงทําไม่ทําก็เป็นอย่างนั้นเอาทำจไม่เห็นจะเสียหายตุกตุกทก็ได้แต่ว่าเรื่องจิตใจหรือจิจตตภาวนาของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราที่เราจะต้องชําระใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้ น, นก่อนที่จะทําชําระใจให้หลุดพ้ น, นมันต้องกายวาจาให้เรียบร้อยซะก่อนเป็นผู้มีศีลซะก่อนนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละ คือชีวิตนักพจนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วคือไม่ได้มุ่งหวังเน้นหนักไปทางอื่นนะมาเน้นหนักมาสู่ด้าน จ, จิตใจเรื่องจิตภาวนาเนะี่ยเรื่องภาวนาเนะี่ยเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นได้ให้พวกเราศึกษาดูที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราศึกษาดูในพระไตรปิฎกนะถ้าพูดถึงเรื่องหลักธรรมแล้วก็ น, นี่แหละท่านสอนที่ไหนท่านพูดเรื่องเนี่ย ถ้าไปพูดเรื่องอภิธรรมแล้วก็ริง่งเข้ามาจุดนี้ลหละแต่เรื่องพระสูตรก็มีเรื่องพระวินัยก็มีแต่ถึงจะเป็นพระสูตรก็ดีก็เป็นแนวทางเข้ามาสู่ทางทางพ้นทุกข์เหมือนกันถึงพระวินัยก็ดีถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วก็คือปกป้องจิตกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเดินเข้าสู่มรรคผล น, ผนิพพานอีกเหมือนกันเพราะนั้นจุดที่พันจะเดินไปสู่ก็คือจุดเดียวคือบริสุทธิ์ ทำให้จิตใจหมดจดจากกิเลสทําให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือพระพระองค์ยกย่องเชิดชูบูชาเป็นฮีโร่เลยนะ่ะอถ้าว่าองค์ใดก็ตามถ้ายังไม่พ้นทุกข์ท่านก็ว่าอย่างจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าองค์ไหนพ้นทุกนี่ละ่ะรูปบุตรของเราท่านยกย่องนี่แหละบุตรของเราลูกศิษย์ของเราบุตรของเรานะผู้ที่พ้นทุกข์หมดจดจากกิเลส ถ้ายังไม่ได้พ้นทุกข์ในท่านยังไม่เรียกว่าบุตรของท่านนะอมันจ ะ, จะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะไปทางไหนเพียนแต่ว่าผู้เดินตามเดินตามยังไกลยอยู่เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นคือเป็นการย้ำโน้มให้พวกเราอย่าทอถอยมักผลนิพพานตามนแนวแถวของพุทธานขอสําคัญให้มีสมาธิเป็นเบื้องต้นซะก่อน จะทํายังไงให้เป็นสมาธิก็อย่างที่หลวงผมได้พูดได้กล่าวมาหลายครั้งมันต้องตั้งจนะิตอธิษฐานให้แน่วแน่นะข้าพเจ้าจะอยู่ในอารมณ์หนึ่งเท่านั้นในวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมาเราอดอาหารวันในอดอาหารวันนั้นละพวกเราจะตั้งจนะิตอธิษฐานทดลองดูสิเรามาบวชในนมนานหลายเดือนหลายปีแต่วันนี้เราอดอาหารจะอดกี่วันเราไม่ว่า เราไม่ได้ว่าตั้งว่าจะอดกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีกี่วินา ท, นาทีเราไม่ได้ว่าแต่วันนี้เราจะอดอาหารเราจะตั้งกิจให้แน่วแน่ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอเนี่ยนะจุดที่ว่าไม่ให้เผลอคำนี้แหละออให้ถึงสติอยู่กับตนเอ ง, บ, งบังคับให้สติอยู่กับตเองเนี่ยถ้ารู้ไดนะ้นานมันหนักไหมที่เราก็มาบวชเนี่ยเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเอาดูซิ ใครว่นมาบวชได้สบายสบาย ใ, ใช่สบายสบายแต่ภายนอกนสบายแบบหมูนะอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะถ้าว่าสบายแบบอริยะพุทธะแล้วมันต้องดูที่จิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งนาทีสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนั้นคือความสุขกําลังเดินเข้าไปหาสู่มุ่งหมายจุดมุ่งหมายคือ ม, มักผลนิพพานนะแต่ถ้าว่าจิตใจของเรามายังไม่สงบอยูนะ่พวกเราเดี๋ยอย่าไปนอนใจอย่าไปช้าลาใจเรายังไม่เห็นรถพระธรรมพูดสรุปได้อย่างนั้นเรารู้แต่รถโกโก้ ก, ก็แฟรถอาหารอ ร, อร่อยเท่านั้นเองรถพระธรรมเรายังไม่ได้สัมผัสอย่าไปนอนใจอย่าไปช้าลาใจเพราะฉะนั้นให้พยายามทําให้จิตใจของเราเข้าไปสู่จุดมุ่งหมาย คือรถพระธรรมคือจิตใจให้สงบเป็นอย่างน้อยนะในเมื่อเราจิตใจผ่านความสงบแล้ว น, ะนั่นละ่ะจิตใจของเราจะได้รับความเยือกเย็นมีความสุขลึกๆนะอยู่ในสถานที่ใด้จิตใจมีหลักนะจะเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปภายภานากัมพีหลักมีกฎมีเกณฑ์ไม่ทะเลทลยไม่ได้มุ่งหวังทางโลกโลกาบิ คิดยังไงยังไงมันก็นยังเห็นอันนี้จังทุกขัขากนันตาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เอมองเห็นอยู่เออมันไม่ใช่ของสนุกเพลิดเพลินเฮฮาในโลกนี่ไม่ใช่อยู่เป็นวันวันเดือนเดือนคืนคืนไป เ, เดือนเดือนปี ป, ปีไม่ไม่ใช่นะ อ, อยู่ไปคอยวันตายคอยวันตายนั่นเองถึงจะคอยหรือไม่คอยถึงขาวมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะแต่ก่อนที่จะตายนะเราเอาต้องเป็นผู้ มุ่งมั่นตั้งใจอย่างน้อยก็ให้ได้ริมรถพระธรรมคำสอนริมรถสมาธิธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนก่อนจะถึงจุดจบจุดตันเนี่ยเราอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะเน้นหนักมุ่งมัน่นในเรื่องสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าะไม่มีอันไหนที่มีความสุขพาสุขยิ่งกว่า ที่พวกเราถึงสมาธิได้ถึงจุดจบของศินเรื่องสมาธิแล้วแต่เรื่องการเป็นอยู่ที่อย่างผมพูดที่พูดเรื่องการเป็นอยู่ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เรื่องการทํางานทํางานทำการบ้างอันนี้ก็ทํางานทานําการเพื่อความผาสุก ข, ของพวกเราจากนั้นเมื่อทําการงานมีเสียอาสนะพอสมควรแล้วเอา้าเล่งภาวนาในเรื่องภาวนาทําจิตใจให้สงบ พอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานนั่นแหละเดินทางด้านวิปัสสนาปัญญาจากนั้นเราก็ถึงจุดหมายปลายทางเห็นอ น, นิจังทุกขังอนันตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสขอให้พวกเราทุกท่กทานนะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ผมขอพูดเพียงตอนนี้ก่อนนะตอนนี้สัวท้ายปฏิโมก